สังคาที่เศษสิกขาบทที่หว่าอันหนึ่งภิกษุจะให้ทากุดีอันหาเจ้าของมิได้เฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอาเองพึงทำให้ได้ประมาณนี้ประมาณในอันทรรมกุดีนั้นโดยยาวส2บสองคืบโดยกว้างเจ็ดคืบด้วยคืบสุคตวัดในร่วมในพึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้อันมีชานรอบหากภิกษุให้ทำกูดีด้วยการขอเอาเองในที่อันมีผู้จองไว้อันหาชานรอบมิได้หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่หรือทำให้ล่วงประมาณเป็นสังฆาทิเศษอัฏฐะแห่งสิกขาบทนี้แฝงอยู่ ทำให้เข้าใจยากต้องการอธิบายมากสักหน่อยสมควรจะใกล้ครวนถึงที่ทางก่อนเพราะสงอาจแสดงให้ได้น่าจะเห็นว่าเป็นที่ในอารามหรือในอุปจาระแห่งอารามคำว่าอุปจาระหมายถึงระยะใกล้เคียงชาญหรือบริเวณรอบๆแต่อารามในครั้งนั้นไม่เหมือนในบัดนี้ สงไม่ได้เป็นใหญ่มีเจ้าของดูแลรักษาแต่เอาไว้สำหรับเป็นที่สงอาศัยทั้งยังมีความอื่นอีกวงว่าไม่ใช่ที่ในอารามหรือในอุปจาระแห่งอารามคําว่าอันมีผู้จองไว้นั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นที่อันคนจองไว้ก่อนมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายบ้านเมือง การจองที่ทับหรือคาบเกี่ยวมีห้ามไว้ชัดในการผูกสีมาแต่ในคำภีวิพังแก้ว่าเป็นที่อาศัยของสัตว์ตัวเล็กมีมดปลวกเป็นต้นของสัตว์ร้ายมีช้างเสือเป็นต้นที่อยู่ติดกับนาไร่เลือกสวนเรือนโรงของผู้อื่นและเป็นที่พลุกพล่านเช่นอยู่ใกล้ที่ชุมนุมชนและอยู่ริมถนนหนทาง ถ้าอย่างนี้น่าจะหาที่สร้างไม่ได้เลยทั้งในป่าทั้งในบ้านเพราะฉะนั้นท่านจึงแก้อย่างนั้นบาลีบทนี้ว่าสารําพังแปลตามพยัญชนะว่ามีปรารภหรือมีเริ่มท่านตีความเป็นอย่างนั้นไปเสียคำว่าอันมีชานรอบนั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าชาญสำหรับหมายเขตตามธรรมเนียมของบ้านเมืองดังมีแจ้งในกฎหมายมานวรรมศาสตร์ของโบราณที่เอาชื่อมาใช้เรียกกฎหมายสยามในการก่อนการเว้นชาญไว้เป็นเขตนั้นมีสางวิชัดในการผูกสีมาแต่ในคาพีวิพังแก้ว่าเป็นที่อาจเวียนเกวียนเวียนบันไดด้วยเหตุอย่างไรท่านจึงลงสันนิษฐานเช่นนั้น เห็นว่าเพราะบาลีบทนี้ว่าสัพปริกรมมะนังแปลตามพยัญชนะว่ามีที่เดินได้รอบท่านเพ่งเฉพาะทำการสะดวกไม่ได้สอดส่องไปถึงอย่างอื่นวินิจฉัยมาถึงนี้ก็พอถึงสนิฐานลงได้ว่าที่นั้นเป็นสถานยังไม่มีคนจับจองห่วงห้ามเป็นป่าหรือทุ่งว่าง กิริยาที่ขอให้สงสแดงที่ให้นั้นก็คือทำการจับจองให้มีพยานเป็นหลักฐานและเวียนชาญไว้รอบเป็นเขตตามธรรมเนียมบ้านเมืองถ้านึกถึงธรรมเนียมในบัดนี้คงจะเข้าใจดีภิกษุจะตั้งสำนักสงฆ์ต้องขอเจ้าคณะแขวงเพื่อให้อนุญาตก่อนฝ่ายเจ้าคณะแขวงจะต้องพิจารณาดู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 กุดีหรือกุติว่าเป็นชนิดไรบาลีในสีขาบทว่าเพียงกุดีเท่านั้นบ่งว่าชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามแต่ในคำภีวิพังแก้ว่าเป็นกุดีโบกด้วยดินหรือด้วยปูนท่านจะเห็นความอย่างไรไม่ทราบแน่แต่มีคําพอจะนําให้สันนิษฐานลงเช่นนั้นในท้องนิทานคือต้นเรื่องหรือที่มา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 มีคำถามสอดเข้ามาว่าถ้าความสําคัญเนื่องด้วยที่เหตุชไหนจึงยกการสร้างกุฎีขึ้นเป็นตัวตั้งเล่ามีคําแก้ว่าเพราะในครั้งนั้นที่ยังไม่เป็นของมีราคาแม้ให้จับจองก็เพียงกันวิวาเท่านั้นอย่าว่าแต่ในครั้งนั้นเลยในบัดนี้เองการเก็บค่าเช่าที่ธรณีสง์ยังเก็บตามหลังคาเดือนก็มี ส่วนที่เป็นชาญนั้นไม่ต้องพูดถึงเรือนปลูกแทรกลงไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงเด้กล่าวว่าอัฏะแห่งสิกขาบทนี้แฝงอยู่ทำให้เข้าใจยากคราวนี้เป็นวาระที่จะปรารบถึงประมาณแห่งกุดีประมาณนั้นใช้สุคตประมาณ ประมาณชนิดนี้เข้าใจกันมาว่าออกจากนิ้วพระหัตแห่งพระศาสดาเองข้อนี้ก็น่านจะเป็นได้เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวถึงประมาณเข้าก็จะทรงชี้เอานิ้วเอาคืบเอาศอกของพระองค์เองแต่ใกล้ครวรถึงทัาบว่าสุคตซึ่งไม่ได้เคยใช้ในพระโอษของพระศาสดาเรียกพระองค์เอง หรือในโอดสาวกใช้เรียกพระศาสดาคิดฉงนไปว่าบางทีจะหมายความอย่างอื่นกระมังเช่นคืบเต็มเต็มคือคือบอยางพึงพายหรือหมายเอาประมาณหลวงอันใช้เป็นหลักมาตราหรือเป็นชื่อประมาณต่างอย่างหนึ่งเช่นเราเรียกกันว่านิ้วช่างไม้นิ้วฟุตชะนีข้อนี้เป็นแต่นึกไปยังไม่พบหลักฐาน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 คืบสุคตไว้ทีราวนี้จากวินิจฉัยความแห่งภาคว่าหากภิกษุให้ทำกุดีด้วยการขอเอาเองในที่อันมีผู้จองไว้อันหาชนรอบมิได้ต่อไปภาคนี้ในที่นี้สกดด้วยพอพานสะอากไกยยักษ์กรันนะครับภาคนี้ บ่งความว่าเป็นสังขาที่เศษแต่ฉะไหนในคำพีวิพังแก้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นวัตถุแห่งทุกกฎเข้าใจไม่ได้ถ้าถูกตามนั้นภาคนั้นในสิกขาบทกล่าววิธรรมอะไรและบทปริกับว่าหรือในภาคต่อไปก็หาประโยชน์ไม่ได้เห็นชัดในสิกขาบทข้างหน้าอันมีเฉพาะบทเดียว ใกล้ครวญดูการแสดงที่เป็นธุระของสงฆ์ของสงฆ์คงเลือกให้ถูกลักษณะภิกษุทำในที่ผิดลักษณะเช่นนั้นก็คงทำในที่อื่นจากที่อันสงแสแดงให้เมื่อถือเอาความเช่นนี้เป็นอันได้ความแจมว่าภิกษุขอให้สงแสแดงที่ให้แล้วแต่ทำขึ้นในที่อื่นหรือไม่ขอให้สงแสแดงที่ให้เลย หรือทําในที่อันสง์แสดงให้แล้วแต่ทากุดีให้ล่วงประมาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นประโยคแห่งสังคาทิเศตทําอย่างเดียวต้องอาบัตตัวเดียวทำสองอย่างต้องอาบัตสองตัวอาบัตในบุพพประโยคเป็นทุกกฎทุกประโยคที่ทําจนถึงอีกประโยคหนึ่งจะเสร็จเป็นทุนรัดใจ ทำเสร็จเป็นสังคาที่เศษอาบัติในสิกขาบทนี้ต้องเพราะไม่ทําก็มีคือไม่ขอให้สงแสดงที่ให้ก่อนต้องเพราะทําก็มีคือทําในที่อื่นจากที่อันสงแสดงให้หรือทําให้ล่วงประมาณต้องทั้งเพราะไม่ทําด้วยทั้งเพราะทําด้วยก็มี คือไม่ขอให้สงแสดงที่และทำให้ล่วงประมาณขอสงแสดงที่ให้ก่อนและทำในที่นั้นไม่ให้เกินประมาณไม่เป็นอาบัต